ไม่ใช่ว่าข้อสี่นะไปมุสาเนี่ยมุสาทำเกิดได้จากกิเลสทุกๆตัวเลยอย่างฟุ้งซ่านพูดเพ้อเจ้อมาจากจิตฟุ้งซ่านมาจากโมหะได้ไหมนั่นคือตัวโมหะตัวฟุ้งซ่านไปพูดจาหลอกลวงปลิ้นปล้อนหลอกลวงหวังผลประโยชน์นั่นทำด้วยโลภะไปด่าไปว่าเขาเนี่ยทำด้วยโทสะนกิเลสนะเป็นตัวที่ทำให้เราผิดศีล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 ถ้าเรารู้ทันมันมันจะครอบงําจิตไม่ได้ถ้าเรารู้ไม่ทันกเิเลสที่เกิดขึ้นกับจิตเนี่ยกเิเลสจะครอบงําจิตงั AN, hm ้นเบื้องต้นนะเราคอยรู้ทันจิตบ่อยๆกเิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกเิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันการรักษาศีลจะเป็นเรื่องง่ายเราจะไม่ต้องรักษาศีลแต่สติมันจะรักษาจิตเมื่อจิตได้รับความคุ้มครองจากสติแล้วกิเลสครอบงาจิตไม่ได้ศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นศีลช น, นิดนี้เป็นศีลชั้นดีนะ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 อย่างคนคิดจะฆ่าเขาที่จะตีเขาที่จะขโมยเขาที่จะดา่าเขาที่จะเป็นชู้กับเขาจิตวุ่นวายแน่นอนจินไม่สงบงั้นะาการที่เรามีศีลเนี่ยเรามีเงื่อนไขที่เ อ, อื้ออํานวยต่อการฝึกจิตให้สงบต่อไปข้างหน้านะวิธีฝึกจิตให้สงบเนี่ยก็หากรรมฐานมาสักอันหนึ่งทําไมจิตไม่สงบจิตไม่สงบเพราะจิตเนี่ยเที่ยวร่อนเร่สแสวงหาความสุขไปเรื่อย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 เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีพวกเราควรจะได้มรรคผลสักขั้นหนึ่งอย่างน้อยๆควรจะนะควรจะไม่ใช่สิ่งที่เหลือวิสัยที่ฆรวาดคนหนึ่งจะทำได้นะ เ, เชิญไปทานข้าว